ไม่ใช่มีบุญแต่ส่วนเดียวนะรู้จักจะให้จะให้จะให้ใหแต่รับไม่เป็นนะซึ่งแต่ก่อนนะที่เล่าให้ฟังอัตมารับไม่เป็นอัตมาเลยไม่ได้บุญเพิ่มเลยจริงๆมันคิดแต่จะให้คิดแต่จะใหนะ้แล้วก็ไม่กินไม่อะไรเลยนะแล้วก็กลับบ้านไปกินที่บ้านเอานะหรือบางทีก็ไปนอนพักอะไรที่บ้านคือบุญในส่วนที่เราเนี่ยจะประสานสัมพันธ์คนอื่นที่ให้คนอื่นเขาเขาให้เราบ้างแล้วก็จะมีความสนิทสนม นะมีการได้พูดคุยมีการสนทนาธรรมมีการที่ได้แบบว่าอะไรอะ่ะพูดคุยในเรื่องของธรรมะแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมะปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเลยไม่ได้เลยเพราะเราคิดตื้นตื้นคิดแต่ว่าเป็นผู้ให้โดยส่วนเดียวนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ขยายให้ฟังหรือปากให้ฟังเราจะได้รู้แล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะตอนนี้พอพระเจ้าสอนอย่างนี้ไปปั๊บดังนั้นเอง เขาจึงกลับไปรับทรัพย์จากคนทั้งหลายที่มามอบให้ได้มากมายมหาศาลถึง9โกดธภายในวันเดียวเท่านั้นนะโกดธหนึ่งถ้าเทียบเงินเดี๋ยวนี้ก็คือสิบล้านนะตามอัตราส่วนเพราะฉะนั้นเก้าโกดก็คือวันเดียวชนะชายยากจนคนนี้ได้90้าสิบล้านเพราะคนน้นคนนี้มาขอปฏิทินทำไม้มาขอเฉลี่ยบุญด้วยทั้งนั้นเลย อา้าวคราวนี้ไม่ใช่คนโจรแล้วนะมีตั้งเก้าสนะิบลางะพอเวลายามเย็นวันนั้นพระราชาได้รับสั่งให้เ ข, เขาเข้าเฝ้าแล้วทรงพระราชาทานตําแหน่งเศรษฐีให้แก่เขานะได้ลาบและยังได้ยศอีกเรื่องราวของชายยากไร้กลายเป็นเศรษฐีได้ภายในวันเดียวนี้เป็นที่สนทนากันของภิกษุในธรรมสภาเป็นอันมากครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาทรงสดับเข้าจึงตรัสว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราไม่รังเกียจในขนมราเผานั้นแม้ในการก่อนเราก็เคยบริโภคขนมราเผามาแล้วเหมือนกันกระทั่งทำให้เขาได้กลายเป็นเศรษฐีเรื่องในอดีตมีมาแล้วแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการมีเทวดาตนหนึ่ง สถิตยอยู่ณนะต้นละหุ่มต้นหนึ่งนิี่พระเจ้าท่านตรัสเล่าเรื่องแล้วนะเรื่องของชาดกนะว่ามีเทวดาสถิตยอยู่ที่ต้นละหุ่มเทวดาเนี่ยหลายคนก็คิดมโนภาพไปตามรูปภาพตามอะไรที่เขาวาดเอาไว้นะแต่จริงๆแล้วเทวดาเนี่ยก็หมายถึงสภาวะของจิตใจที่ที่ดีแล้วที่สูงแล้วที่ประเสริฐแล้ว มนใครที่มีสภาวะจิตใจอย่างเนี้ยอยู่กับตัวตนบุคคลนี่แหละกับใครคนนั้นก็เขาเรียกว่าเทวดานั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยพระเจ้าก็มีตัดถึงเทวดามัาง่งผีมัง่งอะไรบ้างจริงๆเทวดาที่พระเจ้าท่านตัดก็หมายถึงคนที่มาถือศีลอย่างน้อยถือศีลห้าได้ท่านก็เรียกว่านั่นแหละใครถือได้จริงก็เป็นเทวดาจริงๆเพราะฉนั้นอันเนี้ยถ้าใครเข้าใจ เรื่องของชาดกหรือว่าอ่านพระไตยปิฎกเราเข้าใจเรื่องของคำว่าเทวดาได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อไม่ได้หมายถึงอะไรวิญญาณล่องลอยไม่บิดตัวตนอะไรที่ไหนไปอยู่วนวิมานเมฆที่ไหนไม่ใช่หรอกจริงๆก็หมายถึงผู้คนเราเนี่แหละถ้าใครมีสภาวะจิตที่ที่ดีแล้วสภาวะจิตที่สูงแล้วระเสริฐแล้วก็เป็นเทวดาหรือบางทีเขายังเอาไปเปรียบว่าเทวดาก็เหมือนกับใครลนะ่ะอุบัติเทพ สมมุติเทพนะก็เหมือนกับประมหากษัตริย์หรือเหมือนกับคนร่ํารวยที่เขาเรียกว่าเศรษฐีคนร่ํารวยที่เขาเรียกว่าเศรษฐีนะเศรษฐีที่ร่ํารวยแบบนี้หมายถึงเศรษฐีที่มีใจประเสริฐนะมาจากเศรษฐะเศษรษฐโถเนี่ยนะมีใจประเสริฐนะไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐีแบบร่ํารวยแต่ศีลก็ไม่มี นะหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาถ้าอย่างนั้นจริ ง, รงๆเขาไม่เรียกว่าเศรษฐีเขาเรียกว่ากระดุมพีนะมันจะต่างกันอ่าแต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้อ่ะมีเทวดาสถิตยอยู่ที่ด้นละหุ่ยุคนั้นผู้คนในบู่บ้านพากันเชื่อถือยึดเอารุกขเทวดาเป็นมงคลนะหมายถึงว่าคนเนี่ยจำนวนมากเลย ยังเชื่อถือว่าเนี่ยเ ย, ยึดเอาเทวดาซึ่งก็เหมือนทุกวันนี้ก็ยังเชื่อถึงได้บางทีไปอะไรอ่ะจอมปวกมั่งต้นไม้บ้งอางอะไรอ่ะแ ป, แปลกประหลาดเกิดมาบ้างสองหัวมั่งตัวเดียวอะไรเงี้ยนะคือคือยังไปเชื่อเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วนะเชื่อว่าเป็นมงคลเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองงนั้นะดีคนก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้น นะลุกเทวดานี่ก็หมายถึงว่าจริงๆก็คือผู้ที่อะไรอะ่ะมีจิตใจดีงามแล้วแล้วก็รักต้นไม้หรือว่าดูแรลรักษาต้นไม้ซึ่งในปัจจุบันนี้ลุกกเทวดาหายากเหลือเกินเพราะมีแต่คนจะทําลายต้นไม้อะไรเยอะขาดลุกเทวดาที่จะช่วยกันปลูกนะช่วยกันดูแรลรักษานะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นลุกเทวดาก็ก็เป็นบุญเป็นกุศล น, นเนี่ยพากันเชื่อถือยึดเอารุปขเทวดาเป็นมงคลพอถึงช่วงเวลาที่มีงานมหรสศพครั้งใดพวกเขาก็จะกระทาปรีกรรมบูชาแก่รุกขเทวดาที่ตนนับถือในคราวนั้นในบุบ้านนั้นเองมีชายยากจนมากอยู่คุ่อยู่ผู้หนึ่งเมื่อเห็นคนทั้งหลายพากันบูชาบวงสรวงแก่ต้นละหุ่งนั้นด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องรูปลายและของขบเคี้ยวอันประณีตน า, นานาประการอยู่เขาจึงก้มหน้ามองดูขนมรำเผาพร้อมกระ บ, บวยใส่น้ำที่ถืออยู่ในมือของตนแล้วก็คิดว่าคนอื่นๆล้วนบวงสวงด้วยของประณีตอันมีค่าแต่เรามีแค่ขนมขนมรำเผากับน้ำเปล่าเท่านั้นนะอันนี้เหมือนกับเนี่ยะอย่างที่บอกคนเรามักจะ บางทีเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจมักจะคิดน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองว่าโอ้โหของเรานี่เหมือนไม่มีค่าเลยนะ่าลำข้าวเงี้ยจะเอาไปบูชาเทวดาเอาไปถวายเอาเอาไปถวายพระหรือจะไปให้ใครก็แล้วแต่อโอ้โหดูแลเหมือนของไม่มีค่าแต่คนที่รู้คุณค่าถึงจะรู้ว่านี่แหละมีค่ายิ่งกว่าเอาข้าวขาวไปถวายซะอีก นะก็เลยนึกแบบแบบเหมือนกับปมด้อยเหมือนอย่างงั้นนะทั้งเทวดาก็คงเลือกเสวยแต่ของขบเคี้ยวที่ประนีตเป็นทิพย์คงไม่เสวยขนมรำเผาของเราเป็นแน่ฉะนั้นเราจะยอมให้ขนมเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์ทำไมเล่าสู้เราเก็บไว้กินเองเสียดีกว่าอันนี้เป็นความคิดโดยทั่วๆวไปเลยนะที่ปกติพอคิดไปคิดมาจิตตอนแรกเป็นบุญนะ อยากจะเอาไปให้คนอื่นเขาพูดย่ายๆแต่พอคิดไปคิดมาเอ๊ะเขาอาจจะไม่ชอบมัง้งเขาอาจจะไม่กินมัง้งหรือเอดูแล้วโอ้โหยิ่งเห็นคนอื่นเขาอของคนอื่นเขาดีๆกันเลยจึูในความรู้สึกคิดว่าของคนอื่นเขาดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอมองของตัวเองแเราบอกโอ้โหของตัวเรานี่มันราคามันถูกเหลือเกินอะราคามันต่ำเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเลย เอาไปเขาก็ไม่ใช้เดี๋ยวเขาเอาไปทิ้งนะเพราะฉะนั้นเราไปใช้เองดีกว่าเนี่ยแทนที่จะได้บุญกุศลในสิ่งที่ตัวเองทำเลยไม่ได้ทำเลยคิดแล้วจึงหันกลับหมยจะเดินไปจากที่นั้นแต่ลุกคาเทวดาผู้รักษาต้นละหุ่งเมื่อเห็นชายยากจนมีอาการเช่นนั้นก็สำแดงกายให้ปากฏแก่เขาแล้วกล่าวว่าท่านผู้ให้ที่ยากไรหากท่านกินอย่างไรได้ เทวดาที่ท่านนับถือก็กินได้อย่างนั้นท่านจงนำเอาขนมรำเผานั้นมาเทิดอย่าให้ส่วนของเราต้องเสียไปเลยไม่ใช่เทวดาขี้โลภหรอกนะแต่เทวดารู้จิตรู้ใจของคนยากจนคนนี้ว่าจริงๆเขาอยากจะทาบุญก็อุตส่าห์มาถึงที่แล้วอะ่ะทำไมจะไม่รู้แล้วว่าเหมือนกับคนถืออาหารมาจะใส่บาตรพระนี่ใช่ไหอยิ่งบางคนก็ อะไรเขาเรียกจบยกขึ้นแสดงอาการด้วยก็รู้อยู่แล้วว่าเออถ้าอย่างเนี้แหละเขาต้องการจะใส่บาตแน่นอนมันรู้อยู่แล้วแต่พออนั่นเสร็จอา้าวมองอาหารตัวเองเสร็จหันหลังกลับไปเลยจะไม่ใส่แล้วอ่ะอย่างเงี้ก็รู้แล้วว่า อ, อ๋อจะต้องมีจิตใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องอาหารเนี่ยนะจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอาหารที่ ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีโทษภัยอะไรนะเป็นอาหารบุญเป็นอาหารที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเข้ามาไม่ว่าจะจากชีวิตเลือดเนื้อหรือไม่จะไปคดโกงอะไรใครเข้ามาแล้วนะเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลแลนะเป็นข้าวของหรือเป็นอาหารนะที่สุจริตได้มาโดยทรรมเพราะฉะนั้นถ้าเอามาถวายนะถวายเลยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากม า, กม า, กายก่กองอะไรอีกแล้ว นะการได้ถวายอาหารที่เราได้มาโดยบริสุทธิ์ใจอย่างนี้นะก็ได้บุญเลยไม่ต้องไปคิดว่าถูกหรือแพงส่วนใหญ่เนี่ยคนยังไปตกอยู่ในค่านิยมของทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่เลยไปโดนค่านิยมของทุนนิยมเนี่ยไปตีราคาอะไรอยู่ที่เงินทองอยู่เรื่อยเลยว่าของดีต้องราคาแพงของันี ก, ก็ต้องโอโ้โหต้องหามาได้ยากๆราคาสูงสูงคือไปเข้าใจผิดอยู่แค่ตรงเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยบางทีเนี่ยอยู่ในสวนเราเองหรือบางทีเราทำเองเราไม่ได้ไปซื้อหาจากที่ไหนโดยซ้าไปนะซึ่งเราสามารถทำได้ยิ่งทำเองเนี่ยเรายิ่งบุญมากยิ่งกว่าไปซื้อ อ, อีกเพราะได้บุญกุศลในเรื่องของการลงทุนลงแรงของตัวเองด้วยบุญไม่ใช่บุญในส่วนของวัตถุเท่านั้นแต่ยังได้บุญในแง่ของได้รงแรงซึ่งรงแรงนี่บุญสูง ยิ่งกว่าแค่วัตถุทานด้วยนะเพราะบุญลงแรงนี่จะขึ้นมาในเรื่องของอภัยทานแล้วเป็นบุญขั้นที่สองที่สูงยิ่งกว่ามันท้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็จะยิ่งรู้เลยว่าอ้ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะเราเราควรจะศึกษานะแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมะนะเรื่องของการแม้แต่ทำบุญทำทานนี่ก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเทวดานี้ก็บอกยิ่งครนนี้ในส่วนของผู้รับ นะซึ่งเป็นตัวเทวดาเองก็คิดดูสิว่าอาหารแบบเนี้นะคนอื่นเขายังกินกันได้เลยเหมือนเหมือนกับพระเนี่ยญาติโยมยังยังกินกันได้เลยอาหารแบบเนี้เลาวเอามาถวายพระเนี่ยพระยิ่งจริงๆถ้าถ้าถือว่าจนนี่จนยิ่งกว่าจริงนะเพราะไม่มีเงินแม้แต่สักบาทเดียวเลยแต่พวกญาติโยมเนี่ยจนยังไงอย่างน้อยก็คงจะมีบ้านหรือถ้าไม่มีบ้านก็อย่างน้อยก็ มีอะไรอ่ะข้าวของอะไรต่ออะไรบ้างเล็กๆน้อยนะคิดว่าคงไม่มีน้อยกว่านักบวชตกนานี่พูดโดยส่วนรวมนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีบ้างอ่ะข้าวของเครื่องใช้หรือว่าบ้านช่องบ้างที่พักอาศัยอะไรบ้างต้องมีมากกว่านักบวชแน่นอนมากกว่าภิกษุแน่เพราะนั้นนี่ยดูซิว่าถ้าผู้นั้นน่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ย เขายังใช้ได้หรือว่าเขาก็ยังกินได้เลยแล้วมาถวายผู้ที่ที่จนยิ่งกว่าทำไมจะ ก, กินไม่ได้ทำไมจะใช้ไม่ได้คิดง่ายๆแค่นี้โอ้ท่านจึงยิ่งใช้ได้ยิ่งกว่าเราเมื่อท่านเนี่ยสูงกว่าเราท่านต้องทำได้แน่เหมือนกับเทวดาเนี่ยจริงๆเทวดานี้ดูนะคนเอาเข้าวของเอาอาหารเอาอะไรไปบวงสรวงท่านน่ถ้าพูดภาษาทั่วไปว่าป น, นิตกว่าโอ้โหของดีกว่าราคาแพงกว่าอะไรกว่า เยอะแยะไปเหมือนกันท่านก็มีให้เลือกได้จังเยอะแยะใช่มแต่ท่านบอกชายคนจนคนนี้เลยว่าออเออเออเออเออนอนเอ้เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอเออเออเอเออเอเออเอเออเาอเออเออออออเาอเออเออเออเเออเอเออเออเออเออเออเเออเอเออเ รีบกระทําพีกรมทันทีเมื่อรู้กเทวดาได้บริโภคขนมํำเผาเสมือนอาหารอันโอชารสแล้วก็กินให้ดูเลยพูดง่ายๆนะพอเา็าบูชาเขาถวายอาหารนี้มาให้ก็กินขนมลำให้ดูต่อหน้าเลยแหละนะพอพอกินไปแล้วก็ไม่ใช่กินแบบหน้าด้วยตุ ย, ตยหน้าโบหน้าเบ น, นะ กินไปชนิดที่เรียกว่าโอ้อยางกับว่าแหมเป็นอาหารโอชารสเลยแล้วก็ถามเขาว่าดูก่อนท่านผู้ยากไร้ท่านมาปนเปฯเราเช่นนี้เพื่อต้องการอะไรหรือชายยากไร้จึงบอกจุดประสงค์ว่าข้าแต่ท่านเทวดาผู้เป็นใหญ่ข้าพระเจ้ายากจนแสนเข็นเหลือเกินจึงหมายให้ท่านผู้มีใจอันประเสริฐช่วยเหลือจะได้พ้นจากความจนยากลําบากเสียที ไม่ได้มาขอทรัพย์สินเงินทองนะอแต่ว่าอยากจะให้พ้นจากความยากลำบากนะก็บัตรถามเทวดาเนี่ยว่าว่าจะจะช่วยยังไงได้ลูกเทวดานั้นก็เห็นใจสงสารในความยากจนข้นแค้นของเขาจึงบอกคุ้มทรัพย์ให้แก่เขาว่าท่านอย่าห่วงไปเลยเมื่อท่านได้ทำการบูชาเรา ผู้ซึ่งเป็นผู้มีความกระตันยูกตเวทีหมายถึงเทวดาก็บอกว่าเนี่ยตัวเองก็เป็นคนดีนะเป็นคนที่อะไรอะ่ะมีศีลมีธรรมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเขามาช่วยเราเราก็ต้องช่วยคนอื่นเหมือนกันและก็มีความกตันยูกตเวทีท่านจงฟังให้ดีเราจะบอกที่ซ่อมกลุมทรัพย์ให้ท่านฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือรอบต้นและหุ่งนี้มีหม้อบรรจุกลุมทรัพย์ ฝังดินเรียงรายเอาไว้ท่านจงไปกราบทูลแก่พระราชาให้เอาเกวนมาขนนำซั์ไปแล้วพระราชาก็จะทรงโปรดปานจะประทานตาแหน่งเศรษฐีพร้อมทั้งทรัพย์สินให้แก่ท่านบอกขุมทรัพย์ให้รู้แต่ไม่ได้ให้คนยากจนคนนี้มาเอาขุนทรัพย์ไปเองแต่ให้บอกให้รู้ว่าเนี่ยขุมทรัพย์จะมีอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วให้คนจนคนนี้ไปบอกพระราชาอีกที สแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ยกทรัพย์นี้ให้กับคนจนคนดีนะแต่แนะว่าเออถ้าทำอย่างเงี้ยนะพระราชาจะแต่งตั้งให้แล้วก็ให้เป็นเศรษฐีก็ได้แล้วลูก เ, เทวดาก็จากไปชายยากไร้นั้นจึงได้กระทาตามคาบอกของเทวดาทุกอย่างก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการเขาจึงได้สมบัติมากมาย และพระราชาก็โปรดประทานตําแหน่งเศรษฐีให้แก่เขาพระพุทธองค์ตรัตชาดกนี้จบแล้วทรงกล่าวว่าชายยากไร้ในครั้งนั้นได้มาเป็นชายยากไร้ในครั้งนี้ส่วนเทวดาผู้มีใจประเสริฐนั้นได้มาเป็นเราตถาคตเองนั่นนี่ก็เป็นเรื่องชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นนในเรื่องของการทาบุญทําทานเรื่องของการนานรู้จัก เป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับแต่ตอนนี้สำหรับพวกเราเองนะเรื่องของการจัดลงบุญหรือพ่อท่านก็ตั้งชื่อว่าบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งนะลงบุญบังสวิรัตของชาวโศกนะเราก็มีกติกาอยู่ประมาณสข้อนะซึ่งเรามีไว้อยู่ในหนังสือสรรค่าสร้างคนเนี่ยนะข้อที่หนึ่งดูนะแนวทางอย่างลงบุญของชาวโศก หนึ่งแจกอาหารมังสวิรัตเพราะเราจะเน้นเรื่องอาหารการกินก่อนเพราะว่าเราถือว่าอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนะเป็นสิ่งจําเป็นคนจะต้องกินแล้วคนก็กินกันทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นก็เน้นในเรื่องของอาหารมังสวิรัตแล้วก็ไม่อยากให้คนเราเนี่ยไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นอันนี้นะเป็นประเด็นหลักเพราะอาหารที่เราแจก ในโรงบุญทุกวันนี้ก็จะแจกในลักษณะที่ที่เป็นอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจนะจะไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เลยเด็ดขาดอันนี้แต่ทุกวันนี้บางทีเราก็ไม่ใช่มีเฉพาะ เ, าเป็นอาหารเท่านั้นบางทีก็มีอย่างอื่นอยู่บ้างนะอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรบ้างแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเลยหลักของเราอยู่ที่การแจกอาหาร น, นี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือแจกฟรีไม่มีการซื้อขายใดๆบริเวณลงบุญวันบริเวณลงบุญที่เราตั้งขึ้นมาจะไม่มีการซื้อขายเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์เราต้องการให้คนไ้เห็นจริงๆเลยนะว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจนะของผู้ที่แจกไปให้นะผู้ที่ได้รับก็ได้รับด้วยความสบายใจ นะไม่คิดว่าเออนี่เป็นการมาแจกหาเสียงหาคะแนนหรือว่ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรอื่นแต่เป็นการแจกนะเปิดลงบุญเพื่อที่เนี่ยประสานสัมพันธ์หลายที่หลายแห่งอย่างชมารอบ้างเนี่ยกู้ดินฟ้าบ้างนะหลายบริษัทเราปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแจกลงบุญทุกปีนะเขาก็มีความคิดว่าเออบางทีลูกค้ามาซื้อของต่างๆไปเนี่ย ก็ช่วยช่วยเหลือบริษัทมามากมาพอสมควรนะบางทีเราก็ให้คืนกับลูกค้าบ้างให้กับผู้ที่เข้ามาให้เราเนี่ยนะเราก็ให้เขาคืนไปบ้างเนี่ยมันเป็นการตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขแล้วก็มีความเอื้ออาทรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้ น, นถึงแบบว่ามีการแจกฟรีกันขึ้นมา โดยชนิดที่เรียกว่าห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดแม้แต่บางทีเนี่ยจะมาตั้งข้างๆหรือตั้งใกล้ๆเราเรายังขอร้องเลยบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะคิดว่าเรามาเปิดด้านหนึ่งก็เปิดลงบุญอีกด้านหนึ่งก็หาผลกำไรเข้ามาถ้าเราไม่เอาเด็ดขาดเพราะลงบุญของชาวโกนี่เปิดที่ไหนไม่มีการซื้อขายเด็ดขาดเลยนั่นเป็นข้อที่2 ส, ส่วนข้อที่สา ไม่เรียระไรไม่รับบริจาคเงินที่โรงบุญยกเว้นบริจาคเป็นพืชผักผลไม้ที่จะเอามาแจกนะเพราะนั้นไม่มีการเรียระไรนะอันนี้สำคัญเลยแหละเพราะว่าเห็นเลยว่าเปิดโรงบุญเพื่อที่จะหาเงินหาทองเข้ามายิ่งชัดเลยมีการเรียระไรแต่ทุกวันนี้บางทีไม่ประกาศนะแต่ยังไม่วายก็ยังมีคนอยากจะมาร่วมด้วย โดยที่เขาเนี่ยเอาเงินเอาทองมาบริจาคให้เงเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยวันที่เราเปิดลงบุญเราไม่รับไม่รับบริจาคเป็นเงินทองรับแต่ข้าวของที่จะเขาจะมาร่วมบริจาคด้วยเป็นผัผผกผลไม้เป็นอาหารอะไรเงี้ยที่เป็นมังสวิราตเป็นเจเอออย่างนี้รับที่จะช่วยกันได้แต่ถ้าเป็นเงินทองมาในวันนั้นไม่รับนี้เป็นมาตรการของเรา ในส่วนข้อสี่ก็คือผู้ให้พึงไหว้ผู้รับอันนี้เป็นการฝึกฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าบางคนนี่ยังติดนิสัยแบบศักดินาติดนิสัยแบบชนิดที่เรียกว่าฉันไปแจกให้คนอื่นฉันให้คนอื่นนี่ฉันเหมือนกับเจ้านายแหมฉันเหมือนกับผู้ใหญ่แหมให้ผู้น้อยน้ำยังมีมานะอัตตากริยาพวกเนี้บางทียังอยู่มากเลยนะเหมือนกับคนมารับนี่เหมือนกับแหม ถ้าพูดหนักๆเลยนะก็เหมือนกับโอโ้มาขอทานเนี่แหละอาตมา ถ, ถึงบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีอ่ะอย่าหวังเลยจะได้แอมอาตมาเนะี่ยหมายถึงสมัยก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราก็คิดอย่างงี้เหมือนกันเนะี่ยโอ้โหที่มาแจกดูที่วางมาศวางท่ายอย่างกับโอ้โหแมเป็นเจ้าบุญในคุณอะไรเราเราไปรับนี่ก็เหมือนเราเป็นหนี้เขาเราอะไรเรื่องอะไรอย่าไปรับแบบนี้ไม่รับหรอก แล้วเราก็ไม่เข้าใจเรื่องเนี่ยผู้ให้ผู้รับอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีทางอ่ะให้อดให้ไม่มีกินยังไม่ไปรับเลยบอกตรงๆนะศักดิ์ศรีมันมีนะคนนะแต่ศักดิ์ศรีนี่คือมานาอัตตามันมีเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมอันเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้ให้ต้องบหายผู้รับเพื่อที่หนึ่งแสดงวัฒนธรรมของไทยด้วยสองให้รู้ด้วยว่าเขามารับนะถึงได้เป็นบุญขึ้นมาถ้าเขาไม่มารับมันไม่เป็นบุญนะ ผู้ให้ไม่มีท่าเลยถ้าไม่มีผู้รับหมดท่าเลยเข้าของก็เหลือแจกไม่ออกเจ๊งขาดทุนล่มจมของเสียไปวะเปล่า เ, เ, เห็นไหมว่า ม, มันต้องมีผู้รับเพราะฉะนัน้นผู้ยิง่ายต้องขอบคุณผู้ที่เขามารับด้วยซ้ำไปอันนี้ถึงต้องมีข้อที่สี่ผู้ให้ไหวผู้รับแล้วก็ลดกิเลสมาณะอัตตาของพวกเราที่บางทียังไปติดค่านิยมหรือว่าลักษณะแบบทุนนิยมว่า ฉันเป็นผู้ใหย้ยังติดอัตตากิเอทพวกนี้จะได้ลดพวกนี้ลงด้วยนะซึ่งนะทั้งหมดสี่ข้อเนี้ยถ้าพวกเราเข้าใจได้นะเราก็จะทําให้ลงบุญของเราเป็นลงบุญจริงจรงเพราะเราจะได้เสียสละทั้งวัตถุทานนะทั้งอภัยทานที่เป็นเรื่องในด้านของจิตใจเรานะได้ลดละกิเลทในด้านจิตใจถึงจิตถึงใจเราด้วยไม่ใช่แค่วัตถุเท่านั้น ซึ่งถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยลงบุญก็จะเป็นร่วงเรื่องของการได้มาร่วมกันปฏิทานน้ำมได้มาแบน บ, บุญได้มาเฉลี่ยบุญได้มาประสานได้มาสามัคคีร่วมกันนะโดยที่เรียกว่าของพวกเรานี่ที่เปิดลงบุญบางที่ก็เปิดเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ของอาโซนะหรือที่นั้นที่นี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหเป็นการสร้างสังคม ให้เกิดบุญนิยมหรือนิยมในบุญเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทำให้สังคมเนียอยู่รมเย็นเป็นสุขได้มากขึ้นนะอ้าววันนี้ก็คงแสดงทําไเพียงเท่านี้